เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาปีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18พแปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ คำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจการกระทาที่ทำให้เกิดความสุขใจนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นที่เรารู้จักกันดีที่เราทำกันอย่างสม่ำเสมอก็คือการทำบุญคือหมายถึงการให้ทานคำว่าทานนี้แปลว่าให้ ให้ใครก็ได้ก็เป็นบุญเป็นความสุขเหมือนกันแต่ทางธรรมเนียมของคนไทยเราเราจะแบ่งภาษาไว้เป็นสองถ้าให้กับพระก็เรียกว่าทำบุญถ้าให้กับคารวะหรือเดนฉานเราก็เรียกว่าทานแต่ในภาษาพระในภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงสัมสอนนั้น ท่านเรียกว่าทานแปลว่าการให้เพราะบุญนี้เกิดขึ้นได้ถึงสิบประการด้วยกันไม่ใช่เพียงแต่การให้อย่างเดียวนอกจากการให้ทานแล้วบุญเกิดขึ้นได้จากการรักษาศีลบุญเกิดขึ้นได้จากการภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้ฉลาด บุญเกิดขึ้นได้จากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วบุญเกิดขึ้นได้จากการอนุโมทนาบุญบุญเกิดขึ้นได้จากการรับใช้ผู้อื่นบุญเกิดขึ้นได้จากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญเกิดขึ้นได้จากการ มีความเห็นที่ถูกต้องบุญเกิดขึ้นได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมและบุญเกิดขึ้นได้จากการแสดงธรรมให้กับผู้อื่นนี่เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเราแต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจหรือทํากันโดยหลักก็เราจะทําทานกัน เราจะให้ไม่ว่าจะให้ข้าวของเงินทองวัตถุสิ่งของต่างๆเรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองมากพอที่จะให้ผู้อื่นได้เพราะเราต้องเก็บไว้บางส่วนเพื่อดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราเราก็ยังมีสิ่งอื่นที่เราให้ได้อยู่ คือให้ความรู้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีวิชาความรู้แล้วเราเอาไปสั่งสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทนเช่นเราพูดภาษาอังกฤษเป็นเราก็ไปสอนคนที่เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษหรือเราเย็บปักถักร้อยเป็นเราก็สอนคนที่เขาอยากจะเรียน วิธีเย็บปากถักร้อยเพื่อเขาจะได้นำเอาไปเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินการให้ความรู้นี้ท่านเรียกว่าวิทยาทานและนอกจากถ้าเราไม่มีเงินไม่มีข้าวของไม่มีความรู้เราก็ยังให้ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออภัยทาน ภัยก็คือการไม่ถือโทษโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เรามีความอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมจิตใจเราจะร้อนเหมือนกับตกนรกไฟนรกเผาผลาญจิตใจเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวและไม่รู้วิธีจะดับ มีแต่คิดว่าต้องเอาคืนให้ได้แค่นี้ต้องชำระฟันต่อฟันตาต่อตายิ่งคิดอย่างนี้ใจยิ่งร้อนใหญ่เพราะจะต้องนั่งวางแผนว่าจะทำอย่างไรทำเมื่อไรแล้วถ้าเกิดทำไปแล้วก็ยิ่งร้อนใหญ่เพราะไปทำร้ายผู้อื่น ยิ่งทำให้จิตใจรุ่มร้อนมากขึ้นไปอญ่นี่ไม่ใช่วิธีที่จะดับความร้อนของใจที่เกิดจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวทจองกรรมต้องใช้น้ำธรรมะคือการให้อภัย <c oughs> การให้อภัยนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งบางที เป็นการทำบุญที่มีคุณค่ายิ่งกว่าให้เงินเป็นล้านๆเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าเงินล้านนี่ก็ดับความแค้นไม่ได้ดับความโกรธไม่ได้แต่การให้อาภัยนี้ดับความแค้นได้แล้วยังไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านด้วยคนฉลาดก็เก็บเงินไว้ดีกว่าแล้วก็ให้อาภัยเขาไป แทนที่จะเสียเงินเสียทองไปจ้างคนมาฆ่าเขาไปทำร้ายเขานําเก็บเงินไว้ใช้ของเราเองดีกว่าเอาไปทำบุญดีกว่าแล้วเราเพียงแต่ให้อภัยเท่านั้นเองเรื่องก็จบไม่ยากเลยวิธีให้อภัยนี้ง่ายนิดเดียวคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าแล้วกันเราเคยไปสร้างความแค้นให้กับเขามาหรือเราเคยไปสร้างเวรสร้างกรรมมาก่อน ตอนนี้เขาก็มาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเราแต่เราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่เราขอยุดติตรงนี้เรียกว่าขอความยุติธรรมยุติธรรมก็คือการยุติแล้วหยุดไม่ใช่ไปขึ้นศาลขึ้นศาลนี่ยังไม่หยุดก็ยังไม่ยอมแพ้ถ้ายุติธรรมจริงๆแล้วเราต้องหยุดเราต้องยอมแพ้ขอเป็นพระดีกว่า อย่าไปเป็นมารแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแล้วก็เวลาชนะเขาก็จิตใจก็ไม่มีความสุขจิตใจก็จิตใจก็สงสารเขาเสียอีกแล้วคนที่แพ้เขาก็โกรธเขาก็เกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าการชนะผู้อื่นเป็นแสนเป็นล้านคน เป็นแสนเป็นล้านครั้งก็สนุสู้ชนะใจเราไม่ได้เพียงครั้งเดียวชนะใจเราได้แล้วสบายชนะผู้อื่นผู้อื่นเขาก็คับแค้นใจเราก็ไม่สบายใจผู้อื่นชนะเราเราก็คับแค้นใจเขาก็ไม่สบายใจแต่ถ้าชนะใจได้แล้วทุกคนสบายเขาก็สบายเราก็สบาย นี่แหละคือวิถีของนักปราบเป็นอย่างนี้พวกเราส่วนใหญ่ที่ยังเป็นนักปราบกันไม่ได้เพราะเราต่อสู้กับอารมณ์ของเราไม่ได้อารมณ์ของเรามักจะมีอำนาจครอบงำใจเราเวลาลุ แ, ลลกแก่อำนาจด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ต้องไปสร้างไปทำไปพูดในสิ่งที่สร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นนะตนเองเพราะขาดสติยับยัง้งไม่เคยไ ม, ไม่มีสติสตินี่เปรียบเป็นเหมือนเบรกใจถ้ามีสติเราก็หยุดใจเราได้หยุดอารมณ์โกรธอารมณ์โลภโลภอารมณ์หลงได้แต่ถ้าไม่มีไม่มีสติก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรกรถยนต์ไม่มีเบรกเป็นยังไง วิ่งไปถึงไฟแดงแล้วจะทำยังไงก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆให้รถขนิดมาเบรกให้เราเ <c oughs> ช่นกันถ้าเราไม่มีเบรกไม่มีสติพอเราโกรธเราไปพูดไปทำอะไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเบรกเราเองจับเราไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังเนี่ยเห็นกันอยู่ทุกวันเราไปอยู่แถว แถวลงพักดูสิคนที่ไม่คนที่เบรกแตกนี้มักจะไปจบอยู่ที่ตรงนั้นกันเทานั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสร้างสติให้มีสติอยู่เสมอคำว่าสติก็หมายถึงให้เรารู้อยู่ทุกขณะว่าใจเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรหรือกำลังจะพูดอะไรกำลังจะทำอะไรพอคิดขึ้นมา แล้วถ้าเรามีสติรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังคิดไม่ดีอย่างนี้ท่านก็บอกว่าให้รีบดับเสียเช่นคิดอาฆาตพยาบาทท่านก็ให้ดับด้วยความการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นการใช้นี่เก่บไปกแล้วกันหรือคิดว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทงนั้นมันก็ผ่านไปแล้ว เราย้อนกลับไปลบมันไม่ได้แต่เราลบในใจเราได้เพียงแต่เราไม่ไปคิดถึงมันเท่านั้นมันก็หายไปจากใจแล้วแต่เราไม่ยอมลบเรากลับอัดมันเอามาเปิดซ้ำฟังแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนเขาพูดคาไม่ดีคาเดียวตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้ยังอยู่ในใจของเราก็เพราะว่าเราไม่มีสติ ถ้าสติมีสติเบรกใจใจก็หยุดคิดถึงเรื่องนั้นได้พอรู้ว่ากำลังคิดถึงเรื่องนั้นก็เตือนตอนเองว่ากำลังหาเรื่องใส่ใส่ตัวเรานะักยกำลังสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่าไปคิดถึงมันมันผ่านไปแล้วอดีตเป็นเหมือนความฝันเหมือนกับเมื่อคืนนี้เรานอนฝันแล้วมีคนด่าเราในฝันอย่างนี้เป็นต้นพอตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอย่าย้อนกลับไป อยาฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแล้วก็จะผลักดันให้เราไปทำในสิ่งที่เราจะเสียใจในภายหลังดังนั้นเราจึงควรจะฝึกสติอยู่เสมอสตินี้เป็นธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงเปรียบสตินี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดรอยเท้าช้างนี่พอเหยียบไปตรงไหนกรบรอยเท้าของสัตว์อื่นได้หมดรอยเท้าเสือรอยเท้าแรดรอยเท้ากระทิงรอยเท้าอะไรก็ต่างไม่ใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างสติก็เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย ถึงแม้ว่าทำอย่างอื่นจะมีคุณประโยชน์มากมายเพียงไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้เช่นการได้ไปเกิดในสวรรค์ก็ดีได้ประลุ์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีสติเป็นผู้นำถ้าไม่มีสติแล้วก็ ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถทำความดีได้เพราะคนที่ไม่มีสติก็เหมือนกับคนเสียสตินั่นเองคนเสียสติไปสอนให้เขาทำความดีอย่างไรเขาก็ไม่รู้เรื่องหรือคนเมาเหล้าก็คนเหมือนกับคนไม่มีสติคนเมาเหล้านี้ไปพูดอะไรก็ฟังก็ว่าไม่เมาไม่เมารู้เรื่องรู้เรื่อง แล้วก็ขับรถไปชนคนนั้นชนคนนี้ไป ม, มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้เพราะว่าไม่มีสตินั่นเองสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสตินี่เปรียบเหมือนกับเข็มเย็บผ้าเวลาเราจะเย็บผ้าถ้าเรามีแต่ได้ไม่มีเข็มเราจะเย็บผ้าได้อย่างไรถึงแม้ว่าเข็มจะไม่ได้อยู่ติดกับผ้าก็ตามแต่เราต้องมีเข็มเป็นตัว นำได้เข้าไปให้ผูกติดอยู่กับผ้านี่คือความสำคัญของสติพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในศีลข้อห้า 5, ให้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมาเพราะถ้าเสพสุรายาเมาแล้วศีลอีกสี่ข้อนี้รักษาไม่ได้เลยเพราะเมาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องนะอยากจะพูดอยากจะทำอะไรก็ทำเมาแล้วเดี๋ยวก็ไป หาอินูไปหาหาบ้านที่สองบ้านที่สามเพราะความเมาพาไปรักษาศีลข้อกาเมไม่ได้กาเมยสุนิชชาจาราประพฤตไม่ประพฤตผิดประเวณีคือมีผัวเดียวเมียเดียวแต่พอกินเหล้าเมายาไปแล้วกลายเป็นสองผัวสามผัวสามเมียสี่เมียไปหรือว่าการพูดก็เช่นกัน ก็จะไม่พูดจาสุภาพจะพูดจาหยาบคายและจะพูดแบบไม่รู้เรื่องพูดแบบผิดผิดถูกๆจริงบ้างไม่จริงบ้างกลายเป็นคนพูดปดหมดเท็จไปแล้วถ้าเกิดหมันใส้ใครก็เดี๋ยวก็ต้องไปทุบไปทุบไปตีไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นทั้งหมดนี้เกิดจากการขาดสติดังนั้นในศีลห้าข้อนี้ ถึงแม้ว่าการเสพสุรายาเมามันไม่เป็นโทษร้ายแรงในตัวของมันเองถ้าเราเสพแล้วเรานอนเสียมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นก่อนจะก่อนจะดื่มเล้าก็ไปหาเชือกมาผูกกับเท้าไว้กับเตียงไว้ก่อนแล้วก็ดื่มให้พอพอเมาก็ขึ้นเตียงนอนอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ไม่ไปทําผิดศีลอีกสี่ข้อแต่ถ้าไม่ไม่มัดตัวเองไว้ไม่ผูกตัวเองไว้กับเตียง แล้วไปเสพสุรายาเมาเดี๋ยวสินงอีกสี่ข้อนี้ก็จะรักษาไม่ได้ดังนั้นขอให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสติของเราอย่าอย่าให้สิ่งอย่างอื่นมาทำลายสติของเราเช่นเพื่อนฝูงมาชวนให้เราไปดื่มสุราอย่างนี้เราต้องปฏิเสธทันที ว่าเหมือนกับขับรถออกจากบ้านไม่มีเบรกไปอย่างนั้นมันอันตรายทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นทุกวันนี้กฎหมายเขามีลงโทษหนะักกับคนที่เ <c oughs> มาแล้วขับเพราะขับไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุไปทําให้คนที่เขาไม่รู้อีโนเอเนงต้องมาเจ็บต้องมาตายไปดังนั้นขอให้เรา พยายามอย่าไปเสพสุรายาเมาเป็นอันขาดแม้แต่จะเป็นเพียงคำเดียวหรือถ้วยเดียวก็ตามเพราะมันจะไม่เป็นคำเดียวถ้วยเดียวเพราะมันจะมีสองมีสามตามมาถ้าไม่ฉะนนั้นแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องสุรายาเมาทุกคนก็บอกว่าดื่มนิดเดียวก็พอพอหอมปากหอมคอพอเป็นพอเป็นยาขับกระใส แต่พอขับไปขับมามันขับสติไปจนไม่มีเหลือกลายเป็นคนเสียสติกลายเป็นคนเหมือนกับเป็นคนบ้าไปดังนั้นสตินี่จึงเป็นทำที่จําเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะทําบุญแบบไหนเราก็ต้องมีสติเช่นถ้าเมื่อคืนนี้เราไปดื่มเหล้าเสื่อมมึนเมาแล้ววันนี้ตื่นตอนเช้าอยากจะมาทําบุญก็มาไม่ไหว พราะยังไม่หายหมองไม่ว่าจะทำอะไรถ้าไม่มีสติแล้วทำไม่ได้รักษาศีลก็รักษาไม่ได้ทาทางก็ทำไม่ได้ยิ่งนั่งภาวนายิ่งทำไม่ได้ใหญ่วันนั่งพุทโธพุทโธนี้ไม่มีทางที่จะทำได้หรือสวดมนต์นี้ก็ทาไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ทำไม่ได้ หรือจะทาจะฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไม่ได้เนี่ยคือความความสำคัญของสติเป็นอย่างนี้พวกเราจรึงควรที่จะรักษาสติพวกเราทุกคนนี้ในขณะนี้ก็มีสติอยู่แต่ยังไม่ถือว่าพอเพียงยังไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยแล้วเราสามารถที่จะหยุดอารมณ์ต่างๆได้ ท, ทันทีโกรธปั๊บก็หยุดได้โลดปั๊บก็หยุดได้ หลงปับก็หยุดได้แต่เราบางทีก็ยังอดไม่ได้ที่จะโกรธบางทีก็อดไม่ได้ที่จะโลภบางทีก็อดไม่ได้ที่จะหลงเพราะตอนนั้นเผลอสติไปสติเป็นเหมือนยามที่ไปนอนหลับอนยามไปนอนหลับขโมยที่มันจ้องอยู่แล้วมันก็เข้ามาขโมยของในบ้านเราได้ ถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่ก็เท่ากับเปิดประตูบ้านให้กิเลสมันเข้ามาในใจของเราพอกิเลสเข้ามาในใจมันก็สร้างให้เราโลภขึ้นมาอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มีสามีคนเดียวแล้วยังไม่พอใจมีภรรยาคนเดียวแล้วยังไม่พอใจอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกก็เพราะไม่มีสติคอยเฝ้าดูแลใจนั่นเองพอ เ, เห็นคนนั้นน่ารักคนนี้ น่าชมน่ายินดีก็อยากจะอยู่กับเขาแล้วนี่แสดงว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วยังไม่หยุดความรู้สึกนี้ก็แสดงว่าเรากาลังหลับยามสติกาลังไม่ทาหน้าที่พอคิดอย่างนี้แล้วขั้นต่อไปก็ไปจีบเขาไปคุยกับเขาไปหลอกไปล่อเขาด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดก็ได้เขามา แต่ต้องเสียศีลไปเพราะต้องไปทำให้ภรรยาหรือสามีเสีย อ, อกเสียใจและดีไม่ดีอาจจะถึงกับฆ่ากันตายเลยก็ได้นี่เพราะไม่มีสติคอยดูความคิดของเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่พอมันได้พอคิดแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็จะเป็นกายเป็นไฟที่ลุกไหม้ขึ้นมา ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดความอยากได้เสียไม่มีอะไรที่จะยดยับยั้งมันได้จะต้องไปทําผิดศีลก็เอาขอให้ได้มาดังที่ต้องตนเองต้องการเท่านั้นแต่ถ้าเรามีสติดูใจเราอยู่ตลอดเวลาดูความคิดของเราพอมันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดคิดด้วยคิดเรื่องอื่นแทน หรือไม่รู้จะคิดอะไรก็พุดโทไปก่อนก็ได้เอาพุทโทนี้มาเบรคก่อนเหมือนกับเปลี่ยนช่องดูดูละครช่องนี้แล้วมันไม่ดีสอนให้คนทะเลาะกันเกลียดกันแล้วก็หันไปหาช่องธรรมะวัดธรรมกายก็มีช่องของเขาหันไปที่นั่นก็ได้ไปดูพระนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิกันทาจิตใจให้สงบฟังเทศฟังธรรม พระสอนให้อภัยกันอย่ากโกรธกันอย่าเกลียดกั น, กกกนมันก็ลืมไอ้เรื่องความโกรธแค้นไปได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเราเปลี่ยนช่องได้พอมันคิดว่ามันกำลังอยากจะฆ่าใครนี้ต้องรีบพุทโธพุทโธไวคิดถึงองคุลีมานองคุลีมานี่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ามีลิไล่ตามถ้าไห่ก็ไล่ตามไม่ทัน จนพระพุทธนต้องบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราหยุดแล้วเธอตังหกที่ยังไม่หยุดดังนั้นถามตัวเราเองเวลาที่เราอยากจะฆ่าคนอื่นถามว่าเราหยุดแล้วหรือยังเราหยุดโกรธหรือยังหยุดอาฆาตพยาบาทหรือยังถ้ายังไม่หยุดนี่เรากําลังจะเป็นยักษ์เป็นมารรีบหยุดเสียเพื่อเราจะได้เป็นพระเป็นเทพ ไปฆ่าคนแล้วตายไปต้องไปตกนรกถ้าไม่ได้ฆ่าเขาตายไปได้ไปสวรรค์จะเลือกเอาอย่างไรฆ่าแล้วมันก็เท่านั้นเองเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายอยู่ดีคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่ตายวันนี้พวกนี้ก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีใครที่ไม่ตายเกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วตายกันทุกคนเพราะฉะนั้นโกรธแค้นก็อย่างไรไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอก ไปคิดถึงวันที่เขาตายก็ได้สักวันมึงก็ต้องตายแน่ๆอยู่แล้วกูมไม่ต้องฆ่ามึงให้เหนื่อยบ่อยให้มึงตายเองดีกว่าตายไปอย่างนี้แล้วเราได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมแต่ถ้าไปทําให้เขาตายนี่เราไม่ได้ขึ้นสวรรค์เราตกนรกจึงขอให้เราตั้งสติอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราทําอะไรขอให้เราดูสามอย่างเนี้ดูกายวาจาใจเราเสมออย่าไปดูอย่างอื่นดูอย่างอื่นแล้วก็ แล้วก็ลืมมาดูใจเราดูอย่างนั้นแล้วก็ใจก็คิดแล้วโอ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น่ า, น, น, าน่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ดา่าเขาว่าเขาอยู่ภายในใจแต่ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังทำสิ่งเหล่านั้นอยู่เ <Okay. S 1> พราะไม่ได้ดูใจไม่ว่าจะดูอะไรได้ยินอะไรพอสัมผัสปับ๊บต้องรีบมาดูที่ใจทันทีว่า กำลังมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่างไรถ้าเห็นแล้วมีความอนุโมทนาออดีเขาทำอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าอย่างนี้ก็สบายใจเขาจะเอาศรีรษะเดินก็เรื่องของเขาก็ดีเหมือนกันเขาจะเดินถอยหลังก็ดีเหมือนกันเขาจะฆ่าตัวเขาให้ตายก็ดีเหมือนกันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูอย่างนี้ไม่เป็นไรปลอดภัยใจเราคิดดี คือดูมองอะไรดีไปหมดแต่ถ้าเรามองแล้วเราไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปเข้าข้างเขาไปหรือไปโกรธไปเกลียดเขาใจเรานั่นแหละเป็นคนที่รับกับความทุกข์เขาไม่รู้เรื่องหรอกถึงแต่เราดูแล้วเราก็ด่ากาไปภายในใจแล้วเราก็ร้อนขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าใจคิดไม่ดีถ้าใจคิดดีแล้วต้องคิดแบบปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็น ใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราดูแลใจเราอย่างเดียวพอถ้าใจเราดีแล้วไม่ว่าอะไรจะไม่ดีอย่างไรมันก็ไม่มาลบล้างความดีในใจของเราได้มาลบล้างความสุขในใจของเราไม่ได้เราจะมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆถึงแม้จะมีสงครามเกิดขึ้นถึงแม้จะมีโจรจะมาฆ่าเราถ้าเราทำใจให้ดีไว้แล้วใจเราจะมีความสุข เขาจะฆ่าเราฆ่าก็ฆ่าเกิดมามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อถึงเวลาแล้วก็ให้เขาไปคิดอย่างนี้แล้วใจเรากับมีความสุขเขาจะเอาผัวเราไปเอาสามีเราไปก็เอาไปเลยรักษาใจไว้อย่างเดียวพอคนมีต้องเป็นล้านในเมืองไทยมีเกือบเจล้านคนเสียไปคนสองคนท่านี้หาหม่ไม่ได้หรือยังไงถ้าอยากจะได้ หามาอีกสิบคนก็ได้หามายี่สิบคนก็ได้ไม่ยากเย็นอะไรแต่ใจนี่หามาไม่ได้ใจดีนี่เสียไปแล้วมันจะเสียไปเลยเพราะมันจะเป็นลูกโซ่พอโกรธแล้วก็จะไปอาฆาตพยาบาทไปจองเวรจองกรรมแล้วก็ไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขาแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางใจวุ่นวายตายไปก็ไปตกนรกต่ออีกเนี่ยมันเป็นลูกโซ่ไปตลอดทางเลย แต่ถ้าใจดีแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจก็จะสบายอยู่ตลอดเวลาเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละโคตรกันร่างกายก็เหมือนคนอีกคนหนึ่งคนอีกคนก็เป็นอะไรไม่เห็นใจเราจะต้องไปกังวลกับมันใช่มคนที่อยู่ข้างๆเรานี่เกิดเขาเป็นอะไรเขาก็เป็นแต่เฉพาะตัวเขาเขาไม่จะมาเป็นอะไรกับเราเวลาเขาหัวใจวายตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปของเขาใจของเราก็เป็นอย่างนั้น ร่างกายเราจะเป็นอะไรใจเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายสมบัติเก้าของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่มันหมดไปมันก็ไม่ได้ทําให้ใจเราพร่องหรือด้อยลงไปแต่อย่างใดใจเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ใจเรามันโง่มันหลงมันไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพอเสียอะไรไปก็ร้องห่มร้องไห้คิดว่าเสียเสียตัวเราไป เสียเข้าวเคาะเสียของเราไปความจริงของทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกนี้แล้วเรามายืมเขาใช้ไปเท่านั้นวันวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปร่างกายนี้เราก็ยืมดินน้ำลมไฟมามาปั้นให้เป็นรูปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกแล้วพอถึงเวลาเราก็ต้องคืนเขาไปร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป งั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เราไม่ใ้องเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเราไปไปยึดไปติดทำไมยึดติดก็ทำให้ใจเราไม่สบายปล่อยวางแล้วใจเราสบายนี่คือคิดดีคิดอย่างนี้คิดด้วยปัญญาคิดให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่จะคิดได้อย่างนี้ก็ต้องมีสติมีสติฟังเทศฟังธรรมก่อนไม่ใช่เวลาพระเทศไปก็นั่งคุยกันไป ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไดู้้ฟังก็ไม่รู้เรื่องไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปล่าเปล่าเสียเวลาทั้งคนพูดเสียเวลาทั้งคนฟังแล้วก็ไปสร้างความลำคาญให้คนที่เขานั่งอยู่ข้างๆเพราะเขาตั้งใจฟังแต่เราไม่ตั้งใจฟังแล้วเราก็ไปพูดส่งเสียงเอะอะทำให้คนที่อยู่ข้างๆเขาเสียสมาธิฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นขอให้เรา รักษาสติให้ดีดูกายวาจาใจของเราตลอดเวลาแล้วเราจะทำบุญได้ทั้ง10บประการไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเป็นการตรวจน้ำเป็นการอนุโมทนาบุญการฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้เราจะทำได้ถ้าเรามีสติแล้วเราจะสามารถดูแลรักษาใจของเราให้ดีได้ตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จึงขอให้ท่านได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มาบําเพญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนะสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ